ธรรมะเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องกูพ่อหมาเปรียบเหมือน ที่แต่ละคนละคนนั้นที่ ในโคดในดินแล้วถ้าหากดินนั้นงามมันก็แพร่ทายออกไปหลาย แต่ก่อนมันหน่วยบีใบก็ไม่ แล้วก็เป็นต้นเป็นรวงขึ้นมารวงไม่เอาะไม่ซ้ําออกไว้ข้าง มันเก็บเองเก็บเองแล้วก็กันเมื่อเขาจะ แต่เป็นลวงท่านเก็บกระทั่งเป็นเม็ดเม็ดแก่ เติบโตขึ้นมารู้จักเพราะว่าเดียงสา อย่างใดมากมายขึ้นอีกไม่ใช่ได้เพื่อตนเพื่อปากเพื่อท้องของเราอย่างเดียวเพื่อครอบครัวไปอีก แล้วก็ไม่อิ่มไม่พอความอิ่มไม่พอขยายไปกว้างขวางไป <c oughs> ความอยากความไม้อีไม่พอของคนนั้นเหลือร้นโลกจะไฉเพียงโลกนี้น่ะมันเหลือร้นไปอีกมันมากอย่างก็มากไม่เหมือนต้นข้าว ละหลวงเอาไปรวมไปมัดเม็ดเดียว คนเรามันลัวกิเลสมันลัวไม่ได้ ให้จ่ายคว้างๆออกไปด้วยกิเลสอารมณ์ทั้งพวงมัน ชอบชอบใจยินดีพอใจไปปรุงไปแต่งอีกไปปรุง เมล็ดข้าวเม็ดเดียวเมล็ดข้าวเม็ดเดียวนั่นน่ะขยายออกขว้างๆถ้ากิเลส ควรมีดีเห็นได้ความโกรธความโลภมีครบหมดไอ้แต่ละอย่างนี่แต่ละอย่าง มากความหวงแหนความหวงแหนความยึดความถือปรุงแต่งสัมปาททั้งอยมาอยอย 6 อย่างโอ้ ความทั้งหลายเหล่านั้นน่ะที่มัน จับใจตัวนี้แหละมันรวมเข้ามาเมล็ด หามีอุบายปัญญาในขณะที่มันรวมเข้ามาไม่ ในขณะมันรวมไม่เห็นเพื่อจะชําระก็ต้องชําระในเวลาที่มันขยายออก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 กระจำนัดในที่นั้นน่ะให้หมดจดบริสุทธิ์ลง <c oughs> มันก็ดับได้เหมือนกันก็ดับได้เหมือนกันถอนแล้วรากทิ้ง แยะตกขยายเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาอีก เก่งให้ดีสิควบคุมตัว มันไม่มีสิ้นที่สุดมันเป็นโทษทุกข์ มีบางคลายจากความรักความใครก็ยืนดีทั้งหลายนั้นโลกก็ตั้ง อกิเลสมันหลายชั้นจำเป็นจะต้องชำระมันเสมอ มันไม่เสมอเสมอเพราะยังคุณในประโยชน์ เป็นถูกดินถูกน้ําเข้าประสบอารมณ์คือดินน้ํามันถูกดินน้ําคือประสบอารมณ์อารมณ์ที่ให้โกรธ แล้วเกิดมาไม่ใช่เกิดชาติเดียวนับภพนับชาติไม่ถ้วนเกินมามันสะสมกิเลสเอามากมายกิเลสคือกรรม โดยสมมากไหมนี่นั่งทํากอง หาปีหรือ 2 ได้สักครั้งนึงก็เรียกว่าชําระไปละครั้งนึงพอเข้าถึงจุดรวม ไม่ใช่ของง่ายๆการทํากบ เดี๋ยวให้ใส่คานนานช้าหน่อยถ้าหากว่ามีแต่กรรมชั่วมีแต่กิเลสล้ำไปไม่มีเวลาค้นได้สัก ทางจำนาคิริตดังหาเป็นความสุขอะไรการเสียอำนาจคิริตการทํา ความโลภความโกรธก็หายไปอยากความโลภอยากได้มาทําเรียกว่ามันเบาบางไปแล้วนะกิเลสมัน ละความชั่วเสีย 5 ข้อก็ดีความชั่ว 8 ข้อเรียบกิจนาที่ 8 เราชําระได้พิจารณาเรเราเรเร 3 4 5 ข้อจน 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 227 ข้อเราจำละใจของเราที่ ความชั่วลงไปนั่นก็สิออกความวุ่นวายได้บางไปทำ ไฟหมดไปหมดคือชําระไว้แต่เบื้องต้นนั่นแหละโลกปัญญารู้รักษามีเอกันมีรักษาทิน 5 ขณะแต่ด้วยปัญญาถามเสียปัญญาตรงนั้นหากว่า ปัญญาวิปัสสนาแก่กล้าอันที่เรียกว่าๆไปนั้นนึกสิ่งใดทั้ง ไหณเมคะลงอันนี้อย่างทุกข์อนัตตาลงเอกกตาธรรมเอกกตาจิตจิตอันเดียวแท้ๆนั่นก็เรียกว่า ทางที่สําเร็จมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่ต้องไม่มีใครแต่งแหละ เหตุเท่าเนี้ยเราจะตัดต้นมันต้องหาเหง้าไว้แต่ก่อนที่ไปตัดปลายไม่ไม่มีที่ชินที่สุดตัดต้นตัดปลายมันไม่ง่าไม่มีที่ชินสุดตาย เราต้องค้นหาตัวใจมันซะ <c oughs> มันมีที่สิ้นที่สุดอธิบายไว้ถึงเรื่อง โดยได้สิ่งนั้นทั้งหมดมันมีมันต้องมีมันต้องมีตัวกลางนั่นเองมีดีมีชั่วมัน มีคิดไปนึกมันต้องมีผู้มาคิดมานึก แล้วทุกขังกลางเอาไว้ที่พุทโธก็ได้ให้มันอยู่ท่านเมื่อมันมันไม่อยู่กับพุทโธหรือ อย่างนั้นน่ะอย่างเดียวนั่นน่ะไม่ส่งไปส่งมานั่นน่ะเอานั่นเป็นเครื่องผูกถ้าอย่างมันนั้น อาณิรเป็นอิสระเหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดถ้าไม่อยู่เราไม่เป็น พูดโทรน่ะป๋าจะตีให้อยู่ในที่นั้นอยู่ได้นะเส้นทางก็อยู่ ของไม่หมดไปจิตเมื่อกลับคืนมา <c oughs> อานันท์เป็นตัวปัญญาก็ควบอะไรเวลาพิจารณา สติให้มั่นของแนวแน่เต็มที่สิ่งที่เราปลีกามิหรือพุทโธก็ดีอนาปานสติ มันได้ออกไปข้างนอกสติก่อนนั่นใจก่อนนั่นปัญญาก่อนน่ะ ทำลายไปไปมันมันก็จะไปงอกขึ้นไปอีก